สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คเสียงจากสีเส่เจวิอบารนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพ ร, ระเยซูตอนที่สองร้อยสามสิบเก้าเรื่องคอําอธิษฐานของพ ร, ระเยซูตอนที่สิบสี่คำวิงบอลที่หนึ่งก็คือขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะพี่น้องครับในวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับของคําวิงบอลที่หนึ่งก็คือขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะเราจะดูกันนะครับว่าเราจะเคารพสักการะพระเจ้าอย่างแท้จริงได้อย่างไร นะครับมีอยู่สี่ประการ ค, ครับในที่นี้ประการแรกนะครับเราจะเคารพศักการะพันาำของพระเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่เราจะเคารพศักการะพันามของพระเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่ในฮีโร่บทที่สิบเอ็ข้อที่หกนะครับกล่าวอย่างนี้ครับผู้ที่จะมาเข้าเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าทรงทรงดำรงพระชนอยู่พี่น้องครับเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าใครที่จะมาเคารพศักการะ พระเจ้าพระนามของพระองค์จะต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่ครับไม่เหมือนกับคนที่กราบไหว้ลุปเคารพนะครับคนที่กราบไหว้ลุปเคารพบนั้นเขาอาจจะไม่มีความเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เบื้องหลังลูปเคารพนั้นหรือเขาอาจจะทึกทักเอานะครับไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขากําลังไหว้อยู่นั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่อย่างไรเพราะเหตุที่ว่าทํามาจากอิฐหินปูนใจหรือโลหะครับ นี่คือสิ่งที่แตกต่างคริสเตียนเราเราไม่มีลูกเขารบเพราะเหตุที่ว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงทรงเป็นพระวิญญาณครับทรงไม่ได้สถิตยอยู่ในรูปปั้นต่างๆไม่ได้สถิตยอยู่ในรูปหล่อต่างๆไม่ได้สถิตยอยู่ในสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนะครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นและพระคัมภีรก็ไม่เคยพยายามที่จะพิสูจน์ถึงการดำรงอยู่ของพระเจ้าพระคัมภีร์ของเราไม่เคยพิสูจน์ถึงการดำรงอยู่ของพระเจ้า เพราะเหครับก็เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานหลักฐานในตัวของพระองค์เองสิครับในพระธรมโรมนะครับพี่น้องคงจําได้ว่ริตฐานุภาพนะครับหรือสภาพที่ไม่ปรากฏของพระเจ้านั้นเป็นฤทธฐานุภาพของพระองค์ที่สัมแดงออกให้เราสามารถเห็นและรู้ได้ว่ามีพระเจ้ามองดูธรรมชาติมองดูดวงดาวในท้องฟ้ามองดูจั ก, กรวาล น, นักดาราศาสตร์นะครับที่ชื่อว่าเซอร์เจมจีนนะครับ กล่าวว่าไม่มีนักดารศาสตร์คนไหนที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าแม้กระทั่งนักปัจจาที่ยิ่งใหญ่นะครับเอ็มมอนเอลคานก็กล่าวว่ากฎเกณฑ์ที่อยู่ภายในเราและดวงดาวในท้องฟ้าที่อยู่เหนือเราผลักดันให้เรามุ่งหาพระเจ้าที่น้องครับมันไม่จบแค่นี้นะครับเพราะเราสามารถเชื่อในการดำรงอยู่ของพระเจ้าได้แต่ในเวลาเดียวกันครับเรายังก็อาจจะยังไม่เคารพสัจธาระพระนามของพระเจ้าได้เท่าที่ควรถามว่าทําไมครับเพราะว่าการที่เรา เชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่หรือมีพระเจ้านะครับอย่างเดียวไม่พอครับต้องมีประการที่สองประการที่สองก็คือว่าเราต้องรู้ว่าพะระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าแบบไหนพระองค์ทรงมีพลักษณะอย่างไรหลายคนเชื่อว่ามีพระเจ้าแต่เขาไม่ได้เคารพสักการะพระนามของพะ <c oughs> ระเจ้าเพราะว่าเขาไม่ได้เชื่อในพระเจ้าตามที่พะ <c oughs> ระองค์ทรงเป็น Nowadays, <c oughs> พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สําคัญครับเราต้องรู้จักพระเจ้าอย่างที่พระองค์เป็นครับเราต้องเชื่อในพระเจ้าตามที่พระองค์ทรงเป็นครับพี่น้องครับ เราอาจจะทําให้พระนามของพระเจ้าเป็นสิ่งไร้สาระได้เมื่อเราคิดในสิ่งที่ไม่จริงเกี่ยวกับพระเจ้าหรือเรามโนพระเจ้าขึ้นมาเมื่อหลายรูปุบนี่นะครับก็เท่ากับเราทําให้พระนามของพระเจ้าเสื่อมเสียครับเมื่อเราเริ่มสงสัยในพระเจ้าเมื่อเราเริ่มไม่เชื่อในพระเจ้ามีความคลางแคลงใจต่อพระเจ้าเมื่อเราตั้งคําถามนะครับที่ไม่ถูกต้องกับพระองค์พี่น้องครับเรากําลังทาให้พระนามของพระเจ้าเป็นสิ่งไร้สาระไปเชื้แล้ว เรามาดูครับว่าคนกรีกเนี่ยเขามีพระนะครับผมอยากจะยกตัวยอย่างพระที่หรือเทพพระเจ้าที่อยู่ห่างไกลเขาหรือแม้กระทั่งเป็นเทพเจ้าที่ไม่ได้แต่งแต่งอะไรอย่างมนุษย์เลยนะครับเขามีเทพเจ้าที่ทําสงครามเขามีเทพเจ้าที่ทะเลาะเ บ, บาแวงกันเขามีเทพเจ้าที่มีคู่รักมีความเกลียดชังมีการล่อลวงกันมีการตะฤดิผิดในการมผิดศีลธรรมชั่วร้ายเมื่อมนุษย์สร้างพระเหล่านี้ขึ้นมาครับพระ ที่พวกเขาสร้างขึ้นมาก็เหมือนกับพวกเขาดังนั้นการที่จะบอกให้พวกกรีครบศักการะพระของพวกเขานะครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าขบขันมาเพราะว่าพระของเขานั้นก็ไม่ต่างอะไรพวกเขาครับก็ชั่วร้ายเหมือนกับพวกเขาเองพี่น้องครับโยกเองก็ตกอยู่ในสภาพนี้ครับเพราะว่าโยกเองนั้นก็มีความเข้าใจพระเจ้าในรูปลักษณะบางอย่างที่บิดเบี้ยวไปไม่ก็กล่าว ในโยบบทที่สามสิบข้อยี่สบเจ็ดนะครับบอกว่าพระองค์ทรงดุร้ายต่อข้าพระองค์ทีน้องครับมีหลายคนพยายามบอกเหมือนโยบนะครับว่าพระองค์พระเจ้านั้นดุร้ายพระเจ้านั้นโหดเหี้ยมพระเจ้าป่าดเขื่อนพยาบาทและเกลียกระพระเจ้าถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ที่ไม่มีความปราศพเป็นผู้ที่ผักใสผู้คนไปสู่ขุมนรกชั่วนิรันดร์โดยไม่ได้แบ่งแยกว่าใครดีใครเลวหรือเล่นทักเล่นพวกนะครับก็คือพวกอิสอเอล ดูเหมือนว่าพระเจ้าจะโปรดปานอิสราเอลเป็นพิเศษไม่ยุติธรรมเมื่อเรามีความคิดผิดๆอย่างนี้ต่อพระเจ้าครับเราก็ไม่เข้าใจว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าทรงเป็นผู้ใดและเราก็ตกอยู่ในการไม่เคารพศัการาพานามของพระองค์อันนี้เป็นประการที่สองนะครับประการแรกครับทบทวนครับพี่น้องครับเราจะเคารพสักยภาพานามของพระเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเราเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นอยู่พระอรงค์ทรงดำรงอยู่พระองค์มีจริงประการที่สองก็คือว่าเราจะต้องเข้าใจพระลักษณะของพระองค์รู้ว่าพระองค์เป็นใครครับ นมัสการพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นครับไม่ใช่อย่างที่เราเป็นนะครับประการที่สามครับเราจะเคารพสักการระนามของพระเจ้าได้โดยการหนักถึงการทรงสถิตของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอที่นะครับเราจําเป็นต้องให้พระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยในการดําเนินชีวิตทุกวันนั่นหมายความว่าชีวิตของเรานั้นจะต้องเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ครับและประจักษ์ถึงการทรงสถิตยอยู่ของพระเจ้าในชีวิตของเรากระสันดาวิด ได้กล่าวไว้ในสุริยปที่สิบหกข้อที่แปดนะครับบอกว่าข้าพเจ้าตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอข้าพเจ้าตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอนั่นหมายความว่านี่คือเคล็ดลับสําคัญครับในการดําเนินชีวิตด้วยการสําสนึกในการเคารพสักการะพระเจ้าความคิดของคนเราส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นแบบเอาจริงเอาจังเป็นพักๆนะครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับบางครั้งก็คํานึงถึงพระเจ้าอย่างจริงจังบางครั้งก็ไม่คํานึงถึงพระเจ้าอย่างแท้จริง ชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่น้องครับแต่ความจริงแล้วการรับเอาความคิดคำนึงการล้ำลึกนะครับถึงการเคารพสักการะพระนานของเจ้านี่ต้องอยู่ในความคิดของเราตลอดเวลาต้องคิดต้องพูดต้องทําออกมาทุกๆวันเพราะฉะนั้นการเคารพสักการะในพระนามของเจ้าจริงหมายความว่าเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าดํารงอยู่นะครับเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นตามที่พระองค์ตรัสและเราต้องตระหนักถึงการ ท, ทรงสถิตของพระองค์อย่างสม่ำเสมอ เนี่ยครับถึงแม้เราจะทําทั้งสามประการนะครับเราก็ยังไม่เคารพทั้งหมดครับจนกว่าเราจะเข้าสู่ประการที่สี่ครับพี่น้องการที่สี่ประการสุดท้ายนะครับเราจะเคารพสักราระพนามของพระเจ้าได้โดยการดําเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟังพระองค์ครับเราทำสามประการที่กล่าวมาแล้วนะครับจะต้องทําประการที่สี่นี้ขาดประการที่สี่ก็คือขาดการเชื่อฟังนะครับก็จะเป็นสิ่งบั่นทอนความสามารถในการเคารพสักการะพนามของพระเจ้า นันหมายควว่าขาดการเชื่อฟังทิวทิศการเชื่อฟังการแสดงออกด้วยการประพฤติที่ด้วยออกมาเป็นการเชื่อฟังนั้นทําให้เราไม่สามารถรับการพระเจ้าได้นะครับด้วยความเคารพสักการะอย่างแท้จริงพี่น้องครับความปรารถนาหรือความอยากทํานะครับก็ไม่พอครับต้องทอําออกมาจริงๆครับพี่น้องครับความปรารถนาของเรานั้นไม่เพียงแต่เพื่อให้พันนำของพระเจ้าเป็นที่เคารพสักการะในสวรรค์ หรือให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะในโลกนี้แต่แท้จริงแล้วนะครับเราต้องให้พระนามของพระเจ้าเป็นที่เคารพสักการะในเราเพื่อเราจะเป็นท่อแห่งความบริสุทธิ์ของพระองค์ซึ่งสำแดงออกด้วยการเชื่อฟังกับพี่น้องมาธีลูเทอร์นะครับซึ่งเป็นผู้นำศาสนาในยุค ป, ปัจรูปได้กล่าวว่านะครับบอกว่าพระนามของพระเจ้าจะเป็นที่เคารพสักาการะท่ามกลางพวกเราได้อย่างไรคําตอบของเขาก็คือโดยการที่ทั้งหลักคําสอนและการดําเนินชีวิตของเรา จอดคล้องกันเป็นคริสเตียนอย่างแท้จริงพี่น้องครับโปรดฟังครับพระนามของพระเจ้าจะเป็นที่ครอบศักดา์สในพวกเราได้อย่างไรนะครับก็คือหลักคําสอนและการดำเนินชีวิตของเรานั้นจอดคล้องกันครับหลักคําสอนของเรืกองดำเนินชีวิตของเรานั้นเป็นคริสเตียนอย่างแท้จริงนะงกับนี่คือการเริ่มต้นคําอมิสฐานเป็นคําวิงวอนแรกครับพี่น้องในเช้าวันนี้ก่อนที่เราจะทูลขอสิ่งอื่นที่เราปรารถนานะครับ เราจต้องทูลขอสิ่งที่สมควรขอก่อนเมื่อเรามีความคิดเกี่ยวกพระเจ้าอย่างถูกต้องเราได้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งมาจากพระเจ้าเรามีชีวิตที่แสดงออกเป็นการพรึ่ด้วยการเชื่อความพระเจ้าเรากำลังสักการะพระนามของพระองค์ครับพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับขอพระเจ้าสอนความจริงกับพวกเราช่วยเราให้ดาเนินชีวิตในความจริงนั้นพน้ครับก่อนจะจากกันในวันนี้นะครับ ผมจะยกข้อพ้องพีหนึ่งข้อนะครับแล้วก็ยกคําอธิษฐานเพื่อที่จะเป็นพระพรกับชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนครับข้องพีข้ออยู่ในหนึ่งโครินบทที่สิบข้อสิบสามสิบเอ็ดครับหนึ่งโครินบทที่สิบข้อสาสิบเอ็ดจงทําเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเห็นไหมครับจงทําเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าพ้องพีบอกว่าถวายเกียรติพระเจ้าเชื่อฟังพระองด้วยการทำครับด้วยการเกิดผล ด้วยการสันและเสริญพระเจ้าด้วยการรู้จักพอด้วยการประกาศความจริงของพระเจ้าเผยแพร่ค่าวประเสริฐรักษาความบริสุทธิ์ทางเพศนี่คือทำการถวายเกียรติแก่พระเจ้าอย่างแท้จริงนะครั บ, รบอยากจะให้คําอธิษฐานของเกเกอรี่แห่งลีซานะครับอย่างนี้เอาพี่ต้องสงบใจนะครับได้เราจะอธิษฐานด้วยกันขอช่วยให้ข้าพระองค์เป็นคนเที่ยงธรรมและบริสุทธิ์ ขอให้ข้าพระองค์ละเว้นจากความบากชั่วร้ายทั้งปวงขอให้ข้าพระองค์พูดความจริงและกระทำสิ่งที่ชอบทำขอให้ข้าพระองค์ดาเนินชีวิตในหนทางเจิดจ้าด้วยการยับยั้งชั่งใจด้วยการบังคับตนด้วยการละเว้นไม่ทำสิ่งที่ผิดบาปของมึนเมาละเว้นการประดับประดาด้วยสิ่งที่ไม่เสื่อมสิ่งที่เสื่อมสลายได้ และมีชีวิตแประตาด้วยสิ่งที่ไม่เสื่อมสลายขอชีวิตของข้าพรองค์นั้นงดงามด้วยสติปัญญาและความรอบรู้ขอให้ข้าพรองค์คำนึงถึงสิ่งที่อยู่เบื้องบนคิดถึงแต่สิ่งที่อยู่เบื้องบนเกลียดชังสิ่งที่อยู่เบื้องล่างเพราะไม่มีหนทางใดที่มนุษย์จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้นอกจากโดยความเลิศประเสริฐความดีงามของพระองค์ซึ่งจะเป็นประจักษ์พยานได้วาริชนุภาพ ของพระเจ้านั้นทรงเป็นต้นเหตุแห่งความดีของท่าพงทั้งหลายขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะอาเมน